คือไปประทับเครื่องหมายไอ้ความแก่ความตายเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยเอาไว้กับทุกสังขารว่าสังขารทั้งปวงเขาเป็นเช่นนี้จริงๆอันนี้แหละเป็นตรีรณะนะปริญญาประทับตราจนจนตราไม่ลบเลยอ่ะนะตราไม่ลบไอ้อ น, นิจจสัญญานี่มันแม่นนั่นแหละเริ่มเป็นปหานะปริญญาปหานะปริญญานี่เริ่มแม่นเพราะประทับตราอ น, นิจจทุกขังอนัตตาเอาไว้จน จนมั่นคงจริงๆเลยนะฮะอีกห0สิปีผ่านไปมาดูพี่อิสใหม่กันแล้วกันไปตั้งร้านแนละ้วไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็คิดเสมอว่าที่สุดแห่งสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ไหนเนมันถามแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมก็จะเป็นอะไรกายะกายนิโรธอย่างเง้เกษาเกษานิโรธเนี่ยนะความดับผมนี่อยู่ที่ไหน ความอะนะโลมาโลมานิโรธความดับคนเนี่ยอยู่ที่ไหนตะโจตะโจนิโรธความดับผิวหนังเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อสอบถามมันไข้ครวญอย่างนี้จนกว่าจะไม่สําคัญหมายว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่ายั่งยืนเล่นไปหาอสังขตธรรมได้อะนะกนั่นแหละจึงจะเป็นปหานะปริญญาฉันผู้ที่ได้ปหานะปริญญาก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้ แต่ที่สำคัญก็คืออย่าไปขี้เกียจประทับตาสังขารทั้งหลายเนี่ยนะก็ถือถ้าพบอะไรก็ได้ถึงสำคัญว่า ง, งามอยู่นะความงามนี้จะเป็นอยู่ได้ตลอดหรือเนี่ยนะก็คิดว่าถึงคิดว่างามก็จริงเถอะเอานะความงามอันนี้กี่ปีเนาเนี่ยนะความกามอันนี้จะอีกนานสักเท่าไหร่หนอก็ถามไปอย่างนี้หรืออีกไม่นานเนอเนี่ยนะนอจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไปแล้วมันก็พยายาม แปลงง่ายๆว่าอย่าพยายามคิดอะไรอยู่แค่ปัจจุบันถ้าหากว่าพยายามคิดอยู่แค่ปัจจุบันขณะนั้นนะโดยที่ไม่มนสิการอะไรเลยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะรู้สามมัญลักษณะจากครูวิญญาณไม่ใช่ธรรมชาติที่เห็นสามมัญลักษณะใช่ไหมจากครูวิญญาณเห็นสามมัญลักษณะได้ไหมยอย่าว่าจากครูวิญญาณเลยชาวนะทางปัญจทวาววิถีไม่สามารถกําหนดนามรูปได้ เขาไม่สามารถแยกแยะความเป็นแม้กระทั่งนามรูปได้จะกล่าวไปยายถึงสามมัญยลักษณะเล่าอันนี้เป็นการเจริญปริญญาถ้าพิจารณารูปต้องนึกถึงสมุดฐานสี่แต่ละสมุดฐานเขาเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรการที่กล่าวความสิ้นความเสื่อมไปโดยไวัยอันนี้กล่าวกรรมมาสมุดฐานแล้วจิตแต่สมุดฐานล่ะเขาจะเสียใจเช่นนี้ตลอดไปหรือเขาจะดีใจเช่นนี้ตลอดไปหรือ เขาจักใช้ๆอย่างนี้ตลอดไปหรือเดี๋ยวก็หัวเราะ mm. เดี๋ยวก็ร้องให้ mm. เดี๋ยวก็ดีใจ mm. เดี๋ยวก็ใช้ๆมุนเรียนเปลี่ยนกันไปดูได้จากอะไรบอกดูได้จากสีหน้าแววตาเนะ่ยสภาพจิตเปลี่ยนไปสีหน้าแววตาก็เปลี่ยนไปด้วยทีนี้เท่าอาหารสมุทรฐานน่ะถ้าขาดอาหารสักมือหนึ่งจะเป็นยังไงขาดอาหารสองมือสามมือแต่นี้ที่มันเป็นไปได้อยู่อย่างนี้เพราะอาหาร เพิ่มที่เรียกว่าใส่ฟืนให้อยู่ตลอดเวลาใส่ฟืนอย่างสม่ําเสมออธาตุอันนี้ก็เลยเหมือนว่าเป็นไปอย่างสม่ําเสมอถ้าขาดอาหารวันที่หนึ่งผ่านไปสีจะเป็นยังไงเนาะอ่านะสามวันผ่านไปผิวจะเป็นยังไงเนาะถ้าขาดอาหารสักครึ่งเดือนผ่านไปอะไรจะเกิดขึ้นเนาะก็เผาแล้วเนาะเพราะว่าเรียบร้อยไปแล้ว มันก็จนกว่าจะละความสําคัญหมายว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่ายั่งยืนได้ยอย่างแท้จริงที่เหลือก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดอันนั้นแหละเป็นปัญหาปริญญาทีนี้ผู้ที่จะทําปริญญาได้อย่างนี้ท่านบอกว่าสภาวะที่มีกิจเป็นอย่างเดียวกันแห่งภาวนาสมถาวิปัสนาเนี่ยต้องมีกิจเป็นอย่างเดียวกันนะในการทําปริญญาอย่างนี้ไม่ใช่มุ่งปริญญาอย่างเดียวโดยที่สมถะไม่ไม่เป็นไปด้วยกัน อันท่านบอกว่ามีกิจอย่างเดียวกันแห่งภาวนาคือสมถะและวิปัสสนาเนี่ยมีกิจอย่างเดียวกันให้เป็นไปอย่างเหมาะสมให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอสม่วนสภาวะที่ถูกต้องเนี่ยแห่งสัจฉิกิริยาก็อันนี้เป็นการทำให้แจ้งนะใช่ไหมถ้าภาวนานี่หมายถึงอะไรหมายถึงอริยมรตสัจฉิกิริยาหมายถึง อริยผลพันยาตะปริญญาตีรณปริญญาปหา a น n ะปริญญามร์ผลนี่นะวักข้างบนเนี่ยนะก็โดยสัพพัท ธ, ธะเป็นอย่างนั้น น, นะอภิญญาคื อ, อยาตะปริญญา ป, ปริญญาคือตีรณปริญญาปหา a น n ะปริญญาภาวนาคือมร์สัจฉิกิริยาก็คือผลผลนี้ถูกต้องประสบอันนี้ต้องทําให้แจ้งเนนะสภาพที่ทําให้แจ้งส่วนสภาวะที่เป็นโกง แข่งขันเนี่ยนะขันเนี่ยเป็นกองท่านบอกว่าเป็นภาระที่หนักคำว่าขันเนี่ยหนักจริงๆนะบริหารรูปประขันเนี่ยหนักแค่ไหนก็ดูแต่บริหารเวทนาขันหนักกว่านั้นเนี่ยบริหารเวทนาขันเนี่ยหนักกว่ารูปประขันเยอะมากบริหารสัญญาขันก็หนักบริหารสังขารขันก็หนักบริหารวิญญาณขันยิ่งหนักมากเนยนะก็ถ้าใครรู้จักขันข้าดี แล้วบริหารสมมติบริหารรูปภัณฑ์ให้เป็นไปด้วยดีนะบริหารง่ายไหมให้เป็นไปด้วยดีให้สุขภาพดีไม่ปวดหวัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่เป็นวัดสุขภาพดีเยี่ยมเลยนะอันนี้ก็บริหารยากมากแล้วบริหารให้เกิดแต่ความสุขโดยส่วนเดียวนะก็ยากบริหารให้เป็นกุศลสัญญาอย่างเดียวได้ไหม ย, ยากบริหารให้เป็น สังขารนะกายสุจิริฏฐะจีสุจริฏฐมโนสุจริตเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นกุศลบริหารกุศลทั้งที่เป็นสมถาวิปัสนาบริหารง่ายไหมไม่ง่ายหนักมากบริหารยากแล้วจิตอะบริหารจิตนะโวบริหารยากจริงๆเพราะฉะนั้นขันเนี่ยเป็นภาระที่มันหนักแล้วก็บริหารยากเพราะอัตถาว่าเป็นกองเนี่นะซึ่งตัวของเขาเองนี่ก็ดูแลบำรุงรักษานี่ก็ยากเนี่ย อันผู้ที่มีขันห้าเป็นภายในก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมก็แสวงหาขันภายนอกบาบริหารให้มันหนักอึ้งเข้าไปอีกกันนะก็มีหลายขันบวกทีละห้าขันนะไม่ได้บวกทีละขันเนี่ยมันบวกทีละห้าขันห้าขันห้าขันก็เพิ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นทีนี้ขันเหล่านี้ถ้าจําแนกแจกแจงไปแล้วมันก็คือธาตุชนิดหนึ่งเนี่ยนะเอาขันมาแจกไปแล้วก็คือธาตุธาตุนั้นเทเปอร์ธรรมชาติที่ศูนย์ศูนย์จากอะไรศูนย์จากสัต อนั้ศูนย์จากสัตว์ท่านเห็นตาโดยความเป็นสัตว์หรือรูปประคันเนี่ยก็แบ่งเป็นธาตุใช่ไหมรูปประคันคือแบ่งเป็นจากครูธาตุโสตธาตุคานาธาตุจิวหาธาตุกายธาตุเนี่ยนะแบ่งเป็นอะไรรูปประธาติสัทธธาติคันธาติเป็นต้นะนั้นรูปประคันเนี่ยแบ่งเป็นธาตุได้สิบครึ่งได้สิบครึ่งใช่ไหมจากครูธาตุรูปธาตุโสตธาตุสัทธาธาตุคานาธาตุคันธาตุ ชิวหาธาตุรสาธาตุกายาธาตุทตพระธาตุและธรรมธาตุอีกครึ่งหนึ่งนะส่วนที่เป็นวิญญาณธาตุได้เจ็ดจากขววิญญาณโสตาวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายาวิญญาณมโนมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุเจ็ดแล้วก็เป็นเจตสิกอีกครึ่งหนึ่งก็เลยเป็นธาตุสิบแปดขันที่เป็นภาระเหล่านี้เมื่อจําแนกออกไปแล้วก็คือธาตุเป็นสภาพที่ส่งไว้และเป็นธรรมชาติที่ศูนย์เป็นธรรมชาติที่รองรับซึ่งทุก จากครูธาตุเนี่ยรองรับทุกแค่ไหนตั้งกันมีตามาเลยนะชมไหมว่าดีเหลือเกินนะมีแต่ภาระนะมีหูเนี่ยดีเหลือเกินเลยมีแต่ภาระมีจมูกก็มีภาระมีลิ้นก็มีภาระเนี่ยนะมีกายก็มีภาระมีใจยิ่งมหาภาระเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นแต่ธาตุมันทรงไว้ซึ่งทุกเนี่ยนะทรงไว้ซึ่งทุกทุกกระทุกบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมันนํามาซึ่งกระทุกทุกกระทุกดีนักแล ลืมตามองเห็นกระสีใจอยู่นั้นแหละได้ยินเสียงบางคำกำมาสีใจอยู่นั่นแหละเพราะอาศัยทวารเหล่าเนี้มันเป็นส่งไว้ซึ่งทุกขแหกไว้ซึ่งทุกแล้วจับแจงทุกขจับแจงสารพัดทุกขให้เกิดก็เพราะมีสิ่งเหล่านี้ตัวหนักด้วยแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยแล้วก็ทรงไว้รองรับไว้ซึ่งทุกแต่มันสืบต่อกันเรียกว่าอายตนะมันเชื่อมโยงสืบต่อกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องมันก็เรียกว่า เป็นแดนต่อสืบต่อแห่งทุกเพราะฉะนั้นเมื่อลืมตาเห็นตับก็สร้างตาแล้วนะสรุปนะถ้าเป็นอายตนาเนี่ยหูได้ยินเสียงก็สร้างหูท่านวันนี้สร้างตาไปกี่คู่แล้วเนาะสร้างตาไปหลายคู่แล้วนะสร้างหูไปกี่คู่แล้วสร้างจมูกไปกี่คู่แล้วสร้างลิ้นไปกี่กี่ลิ้นแล้วอย่างเงี้ยสร้างกายไปกี่กายแล้วสร้างใจไปกี่ใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต่อวัะเชื่อมโยงสัมพันธ์นะ น้อยคนนักนะที่จะคิดว่าทำชนะนายจะดับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงนะพวกอุเฉทที่เขาบอกว่าตายแล้วดับจริงไม่ใช่ตายนั่นคือการเริ่ม น, นะะจุติกับ ป, ปฏิสนธิเป็นนันตรปรจาจัยใช่ไหมการตายคือการเริ่มเพราะไม่ใช่ตายแต่หมายดับสนิทในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงอ น, นะเนี่อยู่ที่ไหนดัง น, นั้นก็ต้องมาคิดถึงอย่างนี้เพราะว่าขันธ์ธาตุอายตนะพวกนี้เป็นสังคตาธรรมเห็นไหม ขันธ์ธาตุอายตนะสังคตะธรรมพวกนี้เป็นวัตถุแห่งยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปะหานะปริญญาส่วนภาวนากับสัจชิกิริยานี้ก็ทําให้แจ้งอสังคตะธรรมสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเพราะฉะนั้นข้อสิบข้อสามสิบเจ็ดเนี่ยนะข้อสามสิบเจ็ดมีกี่มีกี่หัวข้อมีสิบหัวข้อพอดีสิบหัวข้อเหล่านี้เนี่ยสัมพันธ์กันด้วยดีนะดู ยาตาปริญญาตีรณะปริญญาปาะ hana ปริญญาภาวนาและสัจฉิกิริยาปริญญาสามท่าประชมรวมกันก็เรียกว่าเป็นภาวนาคือมรรคมรรคก็ให้ผลเป็นสัจฉิกิริยาคือผลทีนี้อภิญญาปริญญาปาะ hana ที่ไหนที่ขันทา่าและอายตนะแล้วทําไมต้องทําปริญญาล่ะก็เพราะมันเป็นสังคตะธรรมเนี่ยนะถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอันนะั้นก็เป็นการวิเคราะห์เพื่อทําให้แจ้ง อสังคตธรรมเนี่ยก็เป็นทำให้แจ้งอสังคตธรรมพวกยาตะปริญญาตีรณปริญญาภาวนาพวกนี้เป็นข้อปฏิบัตินี่นะเป็นเป็นอะไรธรรมะเป็นปริญญาภาวนานีตัวพิญญาปริญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเจริญขึ้นเป็นเป็นมักอ่ะนะเป็นข้อปฏิบัติส่วนขันธ์ธาตุอายตนะตัวเนี่ยเป็นเป็นปริญญยธรรม ตัวปริญญานะเป็นชื่อของปัญญาตั ว, ตว ป, ป, ป, ร ป, ป, รปริญญานี่เป็นชื่อของปัญญาตัวขันธาต์อเยตนะเนี่ยเป็นชื่อของสิ่งที่ปัญญาเข้าไปพิจารณาอนเีเป็นที่พิจารณาของปริญญาปริญญานี้เป็นชื่อของปัญญาปัญญาไปพิจารณาอะไรก็พิจารณาขันธาต์และอเยตนะนั่นเองเมื่อพิจารณาไปตามสภาพที่เป็นจริงก็จะเห็นแต่สังขตะธรรม สังคตธรรมก็เป็นทุกข์ใช่ไหมก็มุ่งที่จะออกจากสังคตะธรรมมันก็มั่นใส่ใจว่าเ อ, อเมื่อไหร่นะจกสงบสิ่งเหล่านี้ได้ที่ไหนเนาะความสงบแห่งสิ่งเหล่านี้จกมีขึ้นเนี่ยก็พยายามคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามนะอาวัตะสังคตะกับปริวัฒนาเลยปริวัฒนะเมื่อเช้าสังคตะก็กับอสังคตะพยายามคิดพลิกระหว่างสังคตะกับสังคตะ แต่ไม่ใช่ว่าคิดแต่สังคตาอสังคตะโดยที่ไม่มีปริญญาอะไรเลยไม่ใช่ก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องปริญญากับปริญญายธรรมปริญญามีสามปริญญายธรรมก็มีสามปริญญาสามคือยาตะตีรณะและปหานะปริญญาปริญญายธรรมก็คือขันธ์ธาตุและอายนะี่นหัวข้อธรรมเหล่านี้ก็เป็นควรรู้ยิ่งนะเนะ่ควรรู้ยิ่งส่วนคำวิสัชนาต่อไปอีก ข้อสามสิบแปดกล่าวว่าสภาวะแห่งจิตธรรมชาติแห่งจิตคืออะไรจิตก็คือธรรมชาติชื่อว่าจิตเพราะอาถรรคิดคิดซึ่งอารมณ์หรือคิดถึงอารมณ์หรือธรรมชาติที่รู้แจ้งอารมณ์เนหจิตมันอาศัยอะไรเกิดอาศัยว่าถู ก, กับอารมณ์เพราะเมื่อเห็นสีจิตก็อยู่กับสีนั่นแหละใช่ไหมจิตอยู่กับสีไหม สีอยู่กับจิตอ่ะสีนี่เป็นอารมณะปัจจัยของจิตมีจักขู่เป็นวัตถุเนี่ยนะเมื่อได้ยินเสียงจิตก็เมือ่อจิตอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เสียงอ่ะนะเมื่อได้ยินเสียงเมื่อไหร่ก็มีจิตอั้นธรรมชาติของจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์รู้อารมณ์เช่นลืมตาก็เห็นเนี่ยจิตแต่ถ้าภาธยาไยแบบพุทธพจน์เนี่ยนะทำให้เข้าใจจิตดีขึ้นง่ายขึ้นบ่อยขึ้นก็คืออาศัยจักขู่กับรูปเกิดจักขูวิญ ญ, ญาณอาศัยหูกับเสียงเกิด โสตวิญญาณอาศัยจมูกกับเกลื่นเกิดคานะวิญญาณอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณอาศัยกายกับโพธาพะเกิดกายวิญญาณอาศัยมโนคือผวังกับธรรมารมณ์อารมณ์ทั่วไปเกิดมนโนวิญญาณ